ขั้นตอที่ครบค่ะนี่คือรายการสันนิษฐนนานะนะคะท่านอยู่ในห้องเวลาที่เราจะกําลังได้ไปสนทนาธรรมกับพระเพรบุญอภิปุนโนจากวัดป่าดอนาหายโศกจังหวัดอุดรธานีนะคะกลาบมามัฒการกับท่านเพรบุญค่ะเจริญพานค่ะเวลาผ่านไปเร็วเรวนี่เร า, าเข้าสู่กลางปีแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยไม่ใช่แล้วก็กลางคอดหลังแล้วด้วย ใ, ในในเรื่องนี้ข้าพันสาก็เหมือนกันก้าพันสานี่ยเป็นช่วงเวลาที่ จริงแค่สามเดือนเนี่ยก็ผ่านไปเร็วนะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เป็นกอบเป็นกรรมที่เราพอจะทําอะไรได้อะนะค่ะนั่นคือถ้ า, ถาสมมติบางคนจะบอกปีหนึ่งผ่านมาเร็วนะก็เป็นเวลาที่เป็นกอบเป็นกรรมที่เราจะทําอะไรได้เหมือนกันนั้นก็ลองทําดูความเพียรที่มันดีขึ้นอย่างเงี้ยจิตใจมันดีขึ้นค่ะแต่เดี๋ยวนี้น่าชื่นใจเหมือนกันนะคะเรื่องเข้าใจว่าคนเข้ามาปฏิบัติกันเยอะแล้วถ้าเป็นวัดที่สอนเรื่องพุทธวจะนะอย่างนี้ อดิฉันว่าคนหนุ่มคนสาวเนี่ยเข้ามาเยอะมากท่านรู้สึกอย่างนั้นไหมคะก็มันเป็นธรรมดาตรงที่ว่าใครมีความทุกข์เนี่ยแล้วก็เจอของจริงคือคําสอนพระเจ้าแล้วเนี่ยเป็นลักษณะที่ว่าสมมติตัวตัวธรรมาเองก็ตามนะพอเรารู้ว่าไอ้ธรรมะพระเจ้านี่คลายทุกให้เราได้แล้วเนี่ยเราจะเชิญคนอื่นมาพิสูจน์แต่มันก็เป็นลักษณะบอกต่อบอกต่อบอกต่อคนก็เลยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเพราะมันใช้ได้ผลไงค่ะ ทีนี้อย่างไรก็ตามนะจํานวนคนเนี่ยคือไม่ได้เป็นการบ่งบอกว่าอันนั้นถูกหรือเปล่าแต่อย่างอย่างในกรณีของ facebook อย่างเงี้ยมีแชร์เรื่องอะไรกันมากเหลือเกินนะเรื่องนี้มีไลค์มากเหลือเกินหรือว่าอันนี้เพจนี้มีคนเข้าไปมากเหลือเกินไม่ได้หมายความว่าอันนั้นถูกนั้นดีนะทีนี้ตรงเนี้ยเราก็เลยจําเป็นต้องคอยระวังบางทีเออเสียงข้างมากอาจจะไม่ถูกก็ได้ นี่ยคือถูก<ฆ>ในความข้างมากของเขาแต่ไม่ได้ถูกต้องตามธรรมะของพระเจ้าก็มีเพราะฉะนั้นจึงต้องกลับมาหาพุทธวจนะอยู่เรื่อยนะว่าเอ๊ะในตามเกณฑ์ของบุคคลที่ไม่มีกิเลสแล้วเป็นผู้ฉลาดในการสอนเนี่ยได้กําหนดไว้อย่างไรเราก็ตามเกณฑ์นั้นอโอค่ะนะคะก็มีเกณฑ์ให้ก็ ง, ง่ายเพียงแต่ว่าต้องเข้ามาทําความรู้จักกับเกณฑ์ใช่ แล้วภาษานี่มันก็ไม่ได้ยากยายยากเย็นอะไรมากมันก็มีส่วนที่เราพอจะเข้าใจได้อยู่แนะปลแล้วเขาก็มีนะอ่านได้ตรงไหนก็อ่านไปก่อนทําความเข้าใจได้ตรงไหนก็ทําความเข้าใจไปก่อนเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ตัวตัวเราในมุมของท่านเพบูล น, นะคะคิดว่าสมมุติคนจะเอาตามความสะดวกอาจจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่หาผู้ทวจนะไม่ได้ก็เลยเข้าไปหาอะไรก็ได้ที่เป็นสื่อธรรมะที่มีอยู่รอบตัว ก่อนแล้วก็ค่อยมาแสวงหาเมื่อเดินมาเจอง่ายๆสาหรับพุทธวจนะค่อยมาศึกษากันท่านคิดว่าอพอได้ไหมหรือว่าถ้าจะให้ดีแล้วควรแสวงหาให้เจอสะก่อนเลยดีกว่าคือเรื่องการปฏิบัติเนี่ยเฑ์มันคำว่าแสวงหาแสวงหาเนี่ยจริงคุณชมติวมันไม่ได้มันไม่ได้ซ่อนอยู่อะไรกันแบบว่าลึกซึ้งมากนะคือคำสอนของพระเจ้าตอนนี้เป็นความมหัศจรรย์อย่างที่สามที่พระเจ้าบอกว่า โอ้ยไปทั่วโลกแล้วไปทั่วโลกแล้วเอาแค่ว่าเรื่องของศีลกับเรื่องของเมตตาคุณไปที่ไหนคุณก็เจอคุณไปที่ไหนคุณก็รู้หนังสิลเรื่อไหนเขาก็เขียนเขาก็ยกย่องฝรั่งมังค่าคนอิสลามอะไรต่างๆเขาก็ยกย่องเรื่องศีลเรื่องเมตตาแน่นอนค่ะเนาะเพราะวาความที่ธรรมะขุนเจ้ามันไปไกลแล้วอนาเพราะนั้นเราเจอแน่นอนเราเจอแน่นอนบทเพยียรชนะอาจจะไม่ถูกแต่อัฏฐา น, นี่มันมีอยู่ทุกที่เลยทุกที่เลย ทุกเล่มไม่ว่า <Okay. S 1> ไม่ใช่หนังสือธรรมะก็ตามในนังสือฟิสิกส์ก็ตามเอาคุณก็ยังเจอธรร ม, มนะนะจะพูดไปอ่าเพราะฉะนั้นเราก็ก็เจออยู่แล้วทุกวันคุณเห็นไหมแล้วเราประเด็นที่2ก็คือว่าคุณเดินตามมัคหรือเปล่าชีวิตของคุณอ่ะคุณเดินตามมัคไหมค <Okay. S 1> ่ะนะคือมัคนี่ก็คือแค่สิีสมัยที่ปัญญาถ้าเราเดินตามนี้เราก็เบอร์เพียชนะถูกไม่ถูกนี่ก็ก็ยกไปก่อนเราค่อยๆสรรหาเพิ่ม ประเดน็นคือตรงนี้ประเด็นที่สามคือแลถ้าคุณสงสัยคุณสงสัยนะหรือว่ามีความขัดแย้งกันไม่ลงกันตรงนี้แหละคือประเด็นที่เราต้องตรวจสอบค้นหาบทเพยญชนะที่ถูกต้องมานี่จึงปเป็นเรื่องสําคัญที่ว่าลิงก์ให้มันมาเชื่อมโยงกับที่ว่าคุณจะต้องอ่านพุทธวจนะที่เป็นบทเพยญชนะพระพุทธเจ้านะนั่นคือตรงประเด็นที่สามนี่ว่าถ้ามันมีความไม่ลงรอยกันมีความสงสัยอะไรต่างเนี่ยนะนก็หาเพิ่มค่ะแต่ทีนี้ในกรณีถ้า บางคนเนี่ยบอกว่าได้แค่ฟังนี่ก็โชคดีที่สุดแล้ว oh, <yeah. S 2> ขอท่านเลยว่าอันนี้แหละคือธรรมะของพระพุทธองค์สั้นๆจำเอาไว้แล้วก็ไปปฏิบัติและจะงอกงามขึ้นมาในอนาคตข้างหน้าอย่างชนิดที่ว่าไม่ได้พลาดพลั้งไปจากหนทางที่ควรจะได้ค่ะอันนี้อตาตมาต้องออกตัวก่อนว่าอาตมาเนี่ยไม่เก่งท่าโพลชา คือถ้าเราสามารถแสดงทํามได้เหมือนพระเจ้าเป๊ะๆ เ, เลยนี่นะเราก็จะเป็นพระเจ้าเองแล้ว <คะ S 1> แต่เราทําให้ได้เราทําไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะบอกว่าไอคำของพระพบูลนี่ยมันไม่ใช่คําพูดวจนะร้อยเปอร์เซนนะมันก็จะมีส่วนที่อย่างคำพูดเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่เนี่ยก็ไม่ใช่พุทธวจนะละเะเพราะฉะนั้นก็ก็จะต้องปอ่าดส่วนพวกนั้นยกไว้ก่อนแล้วก็เอาเฉพาะส่วนที่เราเข้าใจแล้วก็ฟังไปนะค<ะ>่ะก็ก็ประมาณนี้แหละ ฟังได้ฟังได้เนอะเราเราก็ทําความเข้าใจถ้ามีข้อสงสัยอาเกียนมาถามหรือถ้ามีข้อสงสัยคุณต้องการตรวจสอบนะคุณต้องเอาบทพุทธวจนะของพระชานั้นมาถึงจะ ส, สมมุตินะคะถ้าดิฉันจะปัดตอนแค่ว่าเออได้ยินเขาพูดว่าพระพุทธองค์ตรัสไว้นะอืมว่าอะไรล่ะอัตตาอัตโ น, นมัติสมมตินะคะตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนอันนี้ใช่พุทธวจะ น, นะไหมคะหรือไม่อ่าเออเราจะตรวจสอบอยังไงค่ะอ่าเราก็ลงไปลองเทียบเคียงในพระสูตร นี่ยลงไปส อ, สอบทวนในพระวินยัยนีถ้าลงกันไม่ได้เข้ากันไม่ได้อันนี้จํามาผิดแน่นอนแต่ถ้าลงกันได้ถ้าถ้าลงกันไม่ได้เข้ากันไม่ได้ให้จํามาผิดนะละทิ้งไปเสียโยนทิ้งไปเลยแต่ถ้าลงกันได้เข้ากันได้นีอันนี้ก็เป็นคำํำปริชานแน่แล้วนีให้ทรงจํำคำหลักนั้นไวเอาเลยไปตรวจสอบอะไรดีหมวดวินัยว่ายังไงเ อ, อหมวดธรรมาหมวดหมวดธรรมก็ได้แต่พระเจ้ า, าบอกให้พึ่งตนพึ่งธรรมเออมันก็สอดคล้องกันนะ อ๋ศีลปฏิบัติค่ายค่าปฏิบัติแต่ตัวเธอเองต้องทํานะเอิมก็สอดคล้องกันนะผู้รู้เชา่าพูดตอนก่อนปรินิพานนะบอกว่าเออให้เธอเป็นผู้มีศีลมีสติรักษาตนเป็นอย่างดีเอา้ามันก็เข้ากันนะเอิมีความเป็นไปได้ว่าคํานี้จะเป็นพุทธวจนะมีความเป็นไปได้นะคะทีนี้อ่าอีกบทหนึ่งนะคะซึ่งเดี๋ยวฉันจะถามว่าเนี่ยถ้าจําได้แค่เนี้ยเพียงพอแล้วหรือไม่ คือบทที่พูดถึงสิ่งที่เราเป็นอยู่แต่ถ้าพระพุทธองค์ไม่ชี้บางคนก็ลืมอย่างที่ฉันนี่ลืมสนิทพะท่านมาชี้ว่าโอ้โหทรงจี้เข้ามาในสิ่งที่เหมือนกับมีเส้นผมบางเราอยู่ตลอดเวลาคือท่านตรัสว่าความชราใช่ไหมคะมีอยู่ในความหนุ่มอืมีซ็บนใ้ค่ะความเจ็บไข้ในซ่อนอยู่ในความไม่มีโรคความตายมีมมในชีวิตใช่ไหมคะใช่ เนี่ยค่ะสาประการเนี่ยความชรามีซ่อนอยู่ในความหนุ่มความเจ็บไข้มีซ่อนอยู่ในความไม่มีโรคความตายมีซ่อนอยู่ในชีวิตถ้าสมมุติว่าเราฟังแล้วเราปิ๊งโอ้โหใช่เลยแล้วก็จำไปเลยใคร่ครวญบทเดียวไม่มีเวลาที่จะศึกษาอย่างอื่นแล้วเพียงพอไหมคะพอแน่นอนออแม้เพียงหนึ่งบทจริงๆนี่ทั้งหมดเลยนะเพราะว่า แก่เจ็บตายนี่มันมันสุดยอดแล้วนะบทบทนี้นี่ท่านตรัสมาเพื่ออะไรคะท่านคะแล้วเราจะได้ประโยชน์จากบทนี้อย่างไรตอนนี้เรื่องนี้พระพุทธเจ้าตรัสตอนที่ปรองอายุสังขารแล้วค่ะแล้วพอปรองอายุสังขารแล้วก็ได้บอกพระอนนท์แล้วละอะไรต่างๆแล้วก็ได้ตรัสกับพิกษุททั้งหลายบอกว่าให้เธอจําไว้นะว่าความเจ็บไข้มีซ่อนอยู่ความไม่มีโรคความตายมีซ่อนอยู่ในชีวิตนะแล้วก็จงอย่ายเป็นจงเป็นผู้ไม่ประมาท มีสติมีสีลเปอย่างดีตามรักษาจิตของตนเถิดคือ ต, ตอนนั้นก็พระพุทธเจ้าอายุแปดสิพรรษาแล้วเพื่อที่จะให้พิกษุตังหลายเนี่ย เ, เป็นเครื่องเตือนสตินะว่าเงเถอะว่าให้อย่าประมาทนะอย่าประมาทค่ะและถ้าสมมุติเกิดเรารู้บทพยัญชนะนี้ก็คื อ, อต้องใครครวนบ่อยๆใช่ไหมคะถ้าจะยึดบทเดียวเนะะี่ยค่ะถูกต้องใครครวนเนี่ยเราใครครวญในในัยยะของเริยสัจสี ไหนพุทธเจ้า <Okay. S 1> พูดถึงว่าเธอรู้ธรรมแม้เพียงสี่บทสี่บทในที่นี้คือสมมติตอนนี้เรารู้ธรรมบทเดียวนะ <Okay. S 1> คือความแก่มีซ่อนในชีวิตนี้เป็นต้นเล น, นะ <Okay. S 1> เราพิจารณาในนัยยะของเรียสัตว ส, สีนะก็จะกลายเป็นสี่บทละนัยยะของเรียสัตว์ ส, สี่ยังไงเอ๊ะความแก่เกิดมาจากอะไรเนะี่ยเหตุเหตุใช่ไหมค่ะ <Okay. S 1> ความแก่เกิดมาจากการเกิดคุณมีการเกิดจึงมีการแก่เอ๊ะแล้วความแก่นี้เป็นยังไงบ้างไหนะพุทธเจ้าก็บอกว่าเออก็คือความ แก่รอบแก่รอบไปของอายุความหนังเหี่ยวความมีฟันหลุดความมีผมหงอกนะเป็นต้นนี่คือความแก่เอาแล้วความดับไปแห่งความแก่มีไหมเอาก็คือมีคือความดับไปของการเกิดเอาแล้วพิธิที่ทําให้ดับความแก่มีไหมมีก็คืออริยมรรคมีองปเราคข้ครวญในระยะเนี้เรียกว่าโยนิโสมานสิการคุณมีโยนิโสมานสิกานอย่างนี้นะคุณจะทํานิพพานเฉยแจงได้โอ้จะเอาไหม แจวค่ะแต่ว่าเราต้องกล่าวเรียนท่านนะคะในความเป็นมนุษย์ธรรมด า, อ, าอย่างกับเวลาที่เราจะเห็นความแก่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นแบบเห็นด้วยตาก็คือดูกระจกเห็นผมหงอกขาวทำไมหงอกมากจังเลยไม่ค่อยคิดไปถึงโยนิโสมนสิการเพื่อที่จะไปให้ถึงทางดับทุกข์อย่างนั้นแต่จะดับผมขาวย้อมซะหน่อยก็แล้วกัน นี่ไงคือเห็นทุกอยู่แต่ไม่เห็นธรรมเห็นทุกอยู่ผมขาวเป็นต้นแต่ไม่เห็นธรรมะคือในยักษ์ของเรียกศีรีนี้เอ๊ะทําไมอ่ะทําไมอ่ะเป็นจมื่ว่าเพราะอะไรคนเห็นความมหัศจรรย์มากอืมคนเห็นทุกแต่ไม่เห็นธรรมเอางี้ก่อนคนเห็นทุกแล้วจะเห็นธรรมได้อย่างไรเนะอันนี้พระเจ้าก็พูดถึงความที่เอมันมีอยู่สองในยะยนัยแรกก็คือคุณมีศรัทธาไหม ถ้าคุณมีศรัทธาในคําสองของพระเจ้านะอะไรปู๊บอะไรปุ๊บก็จะเชื่อมเข้าคําสอนพระเจ้าอะไรมีอะไรมีปุ๊บคุณก็จะเชื่อมเข้าคำสองพ ร, ะ, ร, ะ, ระเจ้ า, าเพราะว่าคุณมีพระพุทธประธรรมประสงค์เป็นที่พึง่งเวลาเจออะไรมากระทบเราก็ไปพึ่งสิ่งนีเ้เวลามีผมขาวปุ๊บแทนที่เราจะไปซื้อยามาทาผมเราก็ไปพึงป่งพระเจ้าซะก่อนพระเจ้า ว, ว่าอย่างไงอันนี้คือคุณมีศรัทธาหรือประการที่สองนะคุณมีศรัทธาแล้วจะทําให้ทุกเนี่ยเป็น เป็นทำให้เกิดศรัทธานะนี่คือตรงนี้<ะ>หรือประการที่2คือความที่เรามีมีเพื่อนดนะีถ้าเรามีเพื่อนดีไปถามเพื่อนเพื่อนบอกเอ๊ะทำไมผมฉันหงอกฉันจะแก้ยังไงดเีเพื่อนก็อาจจะแนะนํายาดีๆให้ในขณะเดียวกันเพื่อนก็จะแนะนําวิธีแก้ความเกิดให้ด้วยแนะนำธรรมะให้ด้วยวิธีปล่อยวางให้ด้วยอย่างเงี้ย<ะ>มันก็อยู่ที่เพื่อนด้วยเหมือนกันเพื่อนดีหรือว่ามีศรัทธาได้จะทําให้เราเปลี่ยนจากความทุกข์นั่นนะ่ะเป็นธรรมะได้ คือท่านพูดในแง่มีศรัทธากับมีเพื่อนดีเนี่ยดิฉันเห็ว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องแบบพิเศษมีบุญของคนนั้นแล้วนะคะแต่ดิฉันยังสงสัยว่ามนุษย์ทั่วๆไปเนี่ยสิ่งที่พระพุทธเจ้าเห็นเมื่อเราได้เรียนรู้ว่าท่านไม่ได้ตรัสรู้ในสิ่งที่มันพิเศษไม่มีในโลกใบนี้เราไม่เคยพบเคยเห็นกันแต่ท่านตรัสรู้ในสิ่งที่พวกเราก็เห็นเกันอยู่แต่ไม่รู้ปัญญาให้เกิดใช่ไหมคะ ทีนี้เพราะเหตุใดขนาดาท่านตรัสรู้แล้ว <c oughs> มาบอกเราแล้วเราก็ยังยากที่จะเห็นนอกจากต้องตั้งสติจริงๆเลยวิชาไงคุณโยมมันบังอยู่มันบังอยู่ถึงแม้พระเจ้าจะไม่มาตรัสรู้ในโลกนี้พระเจ้าตรัสนะอะอริยสัจก็ยังอริยสัจสี่ก็ยังมีง็นของที่มีอยู่ถึงแม้ตอนที่พระเจ้ายังเป็นโพลิสัจอยู่นะก็ยังไม่เห็นอริยสัจสี่อยู่ดีอ่ะนื่อจนกระทั่งเมื่ออวิชา ถ, ถูกทํำลายแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้ว แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วในสิ่งที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมาก่อนว่านี่คือความทุกข์นี่คือเหตุเกิดทุกข์ blah blah b l a เยสสีนั่นแหะนะใช่เพราะนั้นก็คือมีอวิชามาบางนั่นเองท่านคะอื <c oughs> ก่อนที่จะสรุปเพราะเวลาใกล้หมดในเมื่อเรารู้ว่าปัญหามันอยู่ที่อวิชชา <c oughs> ในเวลาหนึ่งนาทีช่วยสยให้ช่วยสอนให้กำจัดอวิชชาหน่อยสิคะเราต้องลดอาหารของมันอวิชชามีอาหาร ถ้าเรายิ่งให้อาหารอาวิชามันยิ่งโตเรายิ่งมืดเราจะยิ่งมึนเรายิ่งตึงนะเราต้องลดอาหารของอวิชชาตัดกําลังส่งตัดหน่วยปรางทีการของมันด้วยการลดนิวร น, นิวรนเป็นอาหารของอวิชชาคุณลดนิวรนได้อวิชชาอ่อนแรงลงวิชาจะเริ่มเกิดขึ้นคุณจะเริ่มมีเห็นตามที่เป็นจริงอวิชชาจะดับไปเห็นธรรมะได้ดังนี้ค่ะอืลดนิวรนนั่นแหละว่า ง, งั้นเถอะเข้าใจกันใช่ัหมแต่ลดนิวรนนี่ บางคนเลยบอกหนักกว่าเกานะนิวร์เพราะเครื่องกลางกันก็มีความฟุ้งซ่านเป็นต้นความอยากความเพ่งเลงความพยาบาทความงงเหงาเหานอนความฟุ้งซ่านทําการใจนี่หลักการนะและ้วทําทําจริงทำยังไงกูต้องมีสติสติเนี่ยจะทําให้นิวรนลาะไปได้สตินี่ก็ยังเป็นหลักการอยู่า ว, าวิธีปฏิบัติทำยังไงลมหายใจ <c oughs> ลมหายใจอย่างที่ท่านมาร์กพาตามตอนแรกนั่นแหละเป็นจุดที่จะทําให้เรามีสติ มีสติแล้วเราจะละนิวรณนได้เมื่อ น, นิวรณ์อ่อน on, แรงลงแล้วอวิชชาจะดับไปได้วิชาดับไปแล้ววิชาจะเกิดขึ้นได้วิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างจะเกิดขึ้นได้เราจะเห็นธรรมะได้ค่ะอืเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากนะคะต่อไปสองกระจกเราเห็นความชรามีอยู่ในความหนุ่มผมขาวพโพลนอย่างว่าอความเจ็บไขมีอยู่ในความไม่มีโรคเอก็ยังหนุ่มแน่นแข็งแรงอยู่เลยออืทําไมนอนป่วยในโรงพยาบาลซะแล้ว ความตายมีอยู่ในชีวิตเรากระโดดโลดเต้นเก่งกันทุกคนทุกวันหารู้ไหมว่าไอ้ที่เขาตายตายกันอยู่เนี่ยในเรามันก็มีอืนะคะเพียงแต่มันจะมาถึงตอนไหนเท่านั้นเองก็จะต้องกำจัดอวิชชาออกไปอเพื่อจะได้ใช้ชีวิตกันอย่างไม่ประมาทตีนเข้าใจว่าวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะเนี่ยที่ท่านไปนบโบนําเอาเรื่องที่เป็นประโยชน์มากกับพวกเรามาฝากกราบน้อมักการขอบพระคุณท่านกันอย่างยิ่งเลยนะคะยินดีครัท่านฟังคะ่ะ ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันอยู่ที่พวกเราเนี่ยเองนะคะรู้แล้วความรู้ยังไม่เกิดนะคะนี่รู้ก็คือรู้ว่ามันมีความรู้อยู่แต่ความรู้จะเกิดต้องนําเอามาปฏิบัตินะคะมันถึงจะเกิดความรู้แบบที่เป็นประโยชน์เหมือนกับเราเห็นอาหารอยู่เนี่ยรู้แล้วว่ามันรับประทานเข้าไปจะมีเรี่ยวแรงแต่ถ้าเราไม่รับประทานและรับประทานเลือกอาหารที่ดีอย่างถูกวิธีก็ไม่เกิดประโยชน์เหมือนกัน เดี๋ยจำคำดิฉันจำคำพระพุทธเจ้านะคะวันนี้ที่พยายามจะบอกคือความชรามีซ่อนอยู่ในความหนุ่มความเจ็บไข้มีซ่อนอยู่ในความไม่มีโรคความตายมีซ่อนอยู่ในชีวิตก็จงอยาประมาทกันเลยกําจัดอวิชาออกไปจะมีความฟุ้งซ่านความอยากความเพ่งเลงความง่วงเหงาหานอนไม่รู้จะกำจัดอย่างไรพรุ่งนี้เปิดมาใหม่ฟังแต่เช้าเลยท่านมา สอมวิธีปฏิบัติเป็นการฝึกสติจะช่วยได้วันนี้เราลากันไปแต่เพียงเท่านี้แล้วนะคะอยู่ตามรับฟังรายการสันสนีสัมทนาโดยดิฉันสันสนีนาภงได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้พุทธวสวัสดีค่ะ